ท่านฟังคะสำหรับท่านฟังที่ติดตามรับฟังพุทธประวัติจากพระโอษมาโดยตลอดก็เข้มข้นทุกวันแล้วก็มาถึงตอนนี้จะเป็นช่วงปลายพระชนชีพของพระพุทธองค์จริงๆแล้วนะคะเป็นช่วงของการที่จะเสด็จเข้าสู่ขันธปรินิพานตรัสแก่พระอานนท์ค่ะว่ามาเถิดเราจักไปสู่ฝั่งโน้นแห่งแม่น้ําหิรันยวดีไปยังสวนป่าสาละเป็นที่แวดพักของมัลลกษัตริย์ใกล้เมืองกุสินารา อา น, อนเธอจงจัดตั้งที่นอนระหว่างต้นสาละคู่มีศีษะทางทิศเหนือเราลำบากกายนักจักนอนสเสด็จประทับสีหสายยาแล้วมีอัศจรรย์นะคะคือดอกสาละผลิผิดด้วยดูการโปรยลงบนพระสรีระดอกมันทารบจุนไม้จันดนตรีก็ล้วนตะของทิพย์ได้ตกลงและบรรเลงขึ้นเพื่อบูชาพระตถาคตเจ้า พระพุทธองค์ตรัสแก่พระอานนท์นะคะว่าการบูชาเหล่านี้หาชื่อว่าตถาคตเป็นผู้ที่ได้รับสการะเคารพนับถือบูชาแล้วไม่อานนท์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาใดาประพฤติ ธ, ธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ผู้นั้นชื่อว่าย่อมสการะเคารพนับถือบูชาตถาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดานนท์ เพราะฉะนั้นเธอพึงกำหนดใจว่าเราจากประพฤติ ธ, ธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ดังนี้ต่อจากนั้นทรงขับท่านพระอุปวานะที่เข้ามาอยู่งานพัดพระนอนนท์ไี่ทูลถามถึงเหตุที่ขับก็ตรัสตอบ ด, ดังนี้ค่ะว่าอานอนท์พวกเทวดาในโลกกาธาตุทั้งสิบโดยมากมาประชุมกันแล้วเพื่อเห็นตถาคต อ, านอนนท์ สวนป่าสาระที่แวะพักของมรลคกษัตริย์แห่งเมืองกุสินาราส2โองยอโดยรอบมิได้มีที่ว่างแม้เท่าปลายขนสายที่เทวดามีศักไม่ได้ตั้งอยู่เทวดาทั้งหลายย่อมยกโทษว่าเราทั้งหลายมาแต่ไกลเพื่อเห็นพระตถาคตต่อนานนักพระตถาคตจึงเกิดขึ้นในโลกสักคราวหนึ่งและการปรินิพานของพระตถาคตก็จักมีในปัจฉิมยามแห่งราตรีวันนี้ ก็พระภิกษุผู้มีศักดิ์ใหญ่รูปนี้มายืนเสียตรงพระพักบางอยู่เราทั้งหลายไม่ได้เห็นพระตถาคตในการสุดท้ายดังนี้ต่อจากนั้นนะคะพระอ น, นุ์ก็ได้ทูลถามถึงความรู้สึกภายในใจของพวกเทวดาที่ลงมาเฝ้าในวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพของพระพุทธองค์ซึ่งจะตรัสตอบอย่างไรนั้นนะคะก็ได้ตรัสว่าอา น, นุ์มีพวกเทวดา ผู้มีความสำคัญในอากาศว่าเป็นแผ่นดินและพวกที่มีความสำคัญในแผ่นดินว่าแผ่นดินพากันสยายผมร้องไห้คร่ำครวญกอดแขนร้องไห้คร่ำครวญล้มกลิ้งเกลือกไปมาดุดว่ามีเท้าถูกตัดขาดออกรำพันอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคจากปรินิพานเสียเร็วนักพระสุคตจากปรินิพานเสียเร็วนักพระผู้เป็นดวงจากสุในโลก จกดับหายไปเสียเร็วนักดังนี้ส่วนเทวดาเหล่าใดปราศจากราคะแล้วเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นมีสติสัมปชัญญะอดกลั้นด้วยรู้สึกว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงข้อที่จะให้ได้ตามใจหวังในเรื่องนี้นั้นสัตว์จะได้มาแต่ที่ไหนเล่าดังนี้ต่อจากนั้นพระอ น, นุทูลถึงเมื่อไม่มีพระองค์แล้วสาวกก็ไม่ได้พบปะการนเหมือนดังบัดนี้ ทรงแสดงสถานที่4แห่งคือที่ประสู์ตรัส ร, รู้แสดงธรรมจักและนิพพานว่าเป็นที่ควรเห็นและพบกันของพุทธบริษัทดังที่ปรากฏอยู่ในเรื่องสุดท้ายของภาคนี้ที่จะอ่านให้ฟังต่อไปนะคะต่อจากนั้นก็ตรัสเรื่องการปฏิบัติในสตรีคือการไม่พบปะด้วยถ้าต้องพบปะก็ไม่พูดถ้าต้องพูดพึงมีสติต่อจากนั้นพระอ น, นุ์ได้ทูลถามถึงการจัดการพระสพ ซึ่งมาถึงตอนนี้เราคงต้องบอกว่าติดตามฟังพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นตอนที่ยาวและก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากวันนี้พอควรแก่เวลาแล้วค่ะรายการสันนิษฐานาดิฉันสันนิษฐานาพง์ดำเนินรายการท่านจะติดตามรับฟังกันได้ในวันพรุ่งนี้ต่อไปนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณจากรายการและสถานีวิทยุ fm 106ครอบครัวข่าวแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ